สามสิบเจ็ดคนอวดรู้วิบากรรมเป็นคนบ้าที่พาผู้คนตกนรกคนฉลาดมากและกิเลสมากแต่ไม่มีความรู้ทางธรรมทิฏฐิสิบก็ยังมิฉาทิฏฐิพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่ข้อสองร้อยห้าสิบห้าเช่นแค่ทำทานก็ยังไม่มีผล นัตถิทินนางแค่ทำสัมมาสมาธิก็ยังไม่มีผลนัตถิยิถังเพราะไม่รู้ว่าการทำใจในใจมณสิการนั้นทำอย่างไรจึงจะมีผลมีแต่ปลุกร้ามีแต่มอมเมาหนักให้อยากรวยอยากรวยเอาสวรรค์มาล่อ เอาวิมานสารพัดมาหลอกเป็นต้นคนผู้นี้แหละคือจอมทำชั่วทำบาปสอนทรัพทัพทวีที่น่ากลัวเกินคาดยิ่งนักกว่านักพาคนทำทานแล้วได้บาปตกนรกกันอยู่อย่างน่าสงสารทุกเมื่อเชื่อวันประคมแล้วประคมอีก สังคมชาวพุทธมันสุดช้ำหนักหนาแล้วด้วยความเมตตาจริงใจก็ขอให้สติแก่ชาวพุทธผู้ยังรู้ไม่เท่าทันการสอนผิดนี้ของผู้อวิชชาเขายังตั้งหน้าตั้งตาพาคนตกนรกหนักขออภัยอย่างมากที่ต้องขอยกตัวอย่างที่มีจริง เพื่อยืนยันว่าอาตมาไม่ได้ยกเมฆไม่ได้พูดโปดไม่ได้พูดยาเพียงแต่พูดจริงตรงความไม่ดีตรงความผิดที่มีคนทำจริงมันก็รู้สึกว่าแรงไม่ได้สอดเสียดไม่ได้เพอเจอร์ไม่ได้หาเรื่องแต่เป็นการศึกษาเพื่อเรียนรู้ให้ชัดเจน อย่างเช่นสำนักธรรมกายนี้เห็นตัวอย่างได้จริงว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดคำสอนในพระไตรปิฎกที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งกระแสหลักก็ยอมรับนับถืออันเดียวกันนี้อยู่แท้ที่พูดนี้พูดตรงตามที่เขาเป็นกันอยู่จริงไม่ได้ม่นประมาท แต่เป็นการติ่งเตือนตามความเห็นความรู้ของอาตมาที่จริงใจทักท้วงกันด้วยความปรารถนาดีเพราะเห็นแก่คนที่ตกเป็นเหยื่อส่วนใหญ่ที่ได้รับการเผยแพร่กันอยู่อย่างหนักอย่างกว้างขวางเหลือเกิน